พี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์หลายๆท่านกำลังจะไปทำงานชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยสิบหกครับเรื่อง state and church ความหมายคําว่า state ก็คือว่ารับถะหรือการปกครองความหมายคาว่า church ก็หมายถึงศาสนาหรือคริสตจักรนั่นเองพี่น้องครับก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหาในเช้าวันนี้ผมมีคาถามให้กับพี่น้องทุกๆท่านว่าระหว่าง s เ a t e นะครับซึ่งเป็นการปกครองหรือระะักับเชิ r c ชนะครับซึ่งเป็นศาสนาหรือริจักจะต้องแยกขาดจากกันหรือไม่อย่างไรนี่คือคำถามของผมก่อนที่จะเข้าใน เ, าเนื้อหาสาระในเช้าวันนี้ครับพระเจ้าพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมยอนบทนบที่หกพระธรรมยอนบทที่หกข้อที่สิบห้าข้อเดียวนะครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้า เมื่อพระเยซูทรงทราบว่าเขาทั้งหลายจะมาจับพระองค์ไปตั้งให้เป็นกษัตริย์พระองค์ก็เสด็จไปที่ภูเขาอีกแต่ลำพังพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าในพระมพีรตอนนี้ได้บรรยายถึงการที่พระเยซูประทับอยู่แต่ลำพังบนภูเขาแห่งหนึ่งเหนือทะเลแกลิรีพระองค์ทรงปรีกตัวมาอยู่ที่นี่หลังจากที่ประชาชนกว่าห้าพันคนนั้นพยายามจะบังคับตนให้เป็นกษัตริย์ หลังจากที่พระเยซูได้ทรงเลี้ยงคนห้าพันคนเรียบร้อยแล้วเขาเห็นการอัศจรรย์เขาเห็นพลังเขาเห็นสิทธิอำนาจของพระเยซูเหนือสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้แสดงว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์ได้มีคนถามครับว่าพระมาสยาหรือพระเมสยาานั้นหมายถึงอะไรหมายถึงใครผมก็ตอบว่าพระเมสยาานั้นหมายถึงพระเยซูครับและการปกครองของพระเยซู คนนั้นก็ถามต่อไปว่าการปกครองของพระเยซูนั้นหมายถึงการที่จะมาทํารัฐพหารมาปกครองอยู่ในโลกนี้จริงๆหรือเปล่าผมอยากจะบอกว่าการเสด็จมาครั้งที่หนึ่งของพระเยซูนั้นโค้งท ร, ง, ทร ง, ตงตั้งแผ่นดินของพระเจ้าตั้งแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ในหัวใจของคนอยู่ในชีวิตของคนนะครับและในชุกวันนี้ตั้งแต่พระเยซูรทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาประทับเหนือผู้เชื่อทุกคน เราจะเห็นว่ามีแผ่นดินของพระเจ้าที่เกิดขึ้นก็คือคริสจักรของโปรงนั่นเองเน้องครับการที่คริสจักรของโปรงมาตั้งอยู่ในโลกนี้ในหลายๆที่หลายๆแห่งจากประวัติศาสตร์ปรากฏว่าคริสจักรนะครับก็เป็นสิ่งที่การปกครองหรือทางด้านการเมืองนั้นรับไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะถือว่าเป็นลัทธินิกายหรืออะไรก็ตามที่เป็นพักเป็นพวกแล้ว บางครั้งอาจจะเกิดการต่อต้านกับท้าทายกับอำนาจการปกครองของผู้ปกครองหรือเจ้าหรือพระราชาของแว่นแควนหรือสถานที่นั้นๆพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาทั่วไปจนกระทั่งจนกระทั่งเจ้าของแควนนั้นหรือพระราชานั้นต้อนรับพระเยซูเข้าไปอยู่ในชีวิตจึงเปลี่ยนความเชื่อ ของคนที่อยู่ในรัฐะหรือในประเทศหรือในอนณาจิคมนั้นให้เป็นคริสเตียนแสดงว่าเขากำลังรวมครับระหว่าง church and state ก็คือขึ้นจักรหรือความเชื่อทางศาสนาเข้าไปในการปกครองยกตัวอย่างครับก็คืออาณาจักรโรมสามร้อยปีแรกของคริสเตียนในยุคแรกนั้นถูกโรมนั้นข่มเหงนะครับแต่หลังจากที่จักรพรรดิคอนสแตนติน รับเอาพระเยซูรับเอาความเชื่อในศาสนาคริสต์เข้าไปในราชอาณาจักรของพระองค์ก็คือแว้นแควนหรืออาณาจักรโรมันนั้นก็จะกลายเป็นอาณาจักรโรมันศักดิ์สิทธิ์ก็คือรับเอาศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจําจักรวรรดินั่นเองเหมือคกับเราเห็นนะครับว่าเมื่อรวมกันนะครับก็จะมีการฟื้นฟูทางด้านศาสนาขึ้นมาแต่ต่อมาไม่นานครับ ความเสื่อมของศาสนาที่มีการเมืองเข้ามายุ่งทำให้ศาสนานั้นก็ตกอยู่ภายใต้ของผลประโยชน์ของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่คือจากประวัติศาสตร์เราได้เรียนรู้คร่าวๆเช่นนี้พี่น้องครับเราจะเห็นได้ว่าการแยกระหว่าง s t a t e กับเชิร์ชนั้นมีความจำเป็นหรือไม่อย่างไรนะครับให้เรามาดูเรื่องของ สิ่งที่ใครจะได้รับประโยชน์นะครับสิ่งที่ใครจะได้รประโยชน์ในแง่ของศาสนาและในแง่ของการเมืองพี่นะครับอยากจะบอกกับพี่น้องอย่างนี้ว่าการที่พระเยซูนั้นเสด็จมาครั้งแรกพระเยซูต้องการที่จะตั้งตั้งอาณาจักรของโปรงในโลกนี้ก็คือคริสตจักรครับแผ่นดินของโปรงมาตั้งอยู่หมายความว่าคริสตจักรหรือผู้ที่เชื่อนะครับ จะได้แผ่กว้างออกไปขยายตัวออกไปนะครับจนกระทั่งพระเยซูเสด็จมาครั้งที่สองครับพระเยซูเสด็จมาแล้วนะครับพเยซูก็จะตั้งอาณาจักรพันปีจริงๆขึ้นในโลกนี้และพระเยซูจะได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์ครับเป็นพระเมสสิยาที่ถูกเจิมเมื่อพี่น้องเข้าใจเรื่องนี้แล้วพี่น้องก็จะปฏิบัติประต่อได้ครับว่าการเสด็จมาครั้งที่หนึ่งของพระเยซูนั้นมาตั้งแผ่นดิน ของพระองค์หรือแผ่นดินของพระเจ้าที่อยู่ในหัวใจคนอยู่ในความเชื่อเป็นศาสนานะครับเป็นชีวิตที่เกิดขึ้นในด้านของการปฏิบัติในด้านของความเชื่อที่อยู่ในใจแต่ในขณะเดียวกันครับเมื่อพระเยซูเสด็จมาครั้งที่สองแล้วพระเยซูจะปกครองตั้งแผ่นดินของโปรวงบนโลกนี้ครับไม่ได้อยู่ในใจอีกต่อไปแต่อย่างเดียวนะครับแต่ว่า ตั้งอยู่ในแง่ของการปกครองตั้งอยู่ในแง่ของการให้การบังคับใช้ตามกฎหมายครับอันนั้นคือการปกครองที่ดีที่สุดครับก็คืออาณาจาก 1, ักรพันปีนะครับหลายหลายท่านอาจจะไม่ยอมรับว่ามีอาณาจักรพันปีจริงตามตวัวอักษรอันนี้ก็แล้วแต่เป็นความเชื่อความศรัทธาและการตีความของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันซึ่งผมไม่ถือว่าเป็นปัญหาครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะกลับเข้ามาในหัวข้อของเราในเช้าวนันนี้เพื่อที่จะเราจะไขขวนครับ ว่าแท้จริงแล้วในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นเราแยกไม่ออกนะครับระหว่างความเชื่อกับการดำเนินชีวิตพี่น้องเห็นด้วยไหมครับความเชื่อกับการดำเนินชีวิตแยกกันไม่ได้ครับสิ่งที่เราสอนนะครับจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราเชื่อจะต้องสอดคล้องกับการประพฤติของเราสิ่งที่เรากระทาออกมานะครับภายนอกนั้นจะต้องสำแดงถึงความเชื่อความศรัทธาที่อยู่ภายในใจของเรานะครับ นั่นหมายความว่าอย่างไงครับนั่นหมายความว่าพระเยซูต้องเป็นเจ้าของบริษัทของเราพระเยซูต้องอยู่ในชีวิตของเราในการบังคับบัญชาในการทํางานเราต้องสำแดงความรักความซื่อสัตย์ที่เรามีที่ได้รับจากพระเยซูนั้นออกไปในชีวิตประจําวันของเรานี่คือสิ่งที่สําคัญมากและคนที่อยู่รอบข้างเราเขาจะสัมผัสได้ว่าเขาได้ทํางานกับพระเยซู เขาได้ทํางานกับพระเยซูองค์น้อ ย, อยเขาได้ทํางานกับคนที่มีชีวิตที่เหมือนกับพระเยซูนี่คือสิ่งที่จําเป็นมากและเป็นสิ่งที่อยู่ในความเชื่อในความศรัทธาของพวกเราทั้งหลายในขณะเดีวยวกันครับเราก็ต้องรู้ว่าโลกนี้นั้นเป็นโลกที่เต็มไปด้วยคนบาปเราจะมีภารกิจต่างๆในการช่วยเหลือคนบาปมากมายเราต้องมีภารกิจต่างๆในการรับผิดชอบสังคม พี่น้องครับอันนี้คือสิ่งที่ขื้นจักรนั้นจะต้องรับผิดชอบสังคมรับผิดชอบต่อประเทศชาติไม่ว่าขื้นจักรอยู่ในแห่งหนตําบลใดในโลกนี้ขื้นจักรจะต้องรับเอากฎหมายนะครับของสเตทของรัฐหรือของประเทศนั้นๆถ้ากฎหมายเหล่านั้นเป็นกฎหมายที่ออกมาอย่างเป็นธรรมและเป็นกฎหมายที่ไม่ข่มเหงขื้นสเตียนพี่นครับนี่คือสิ่งที่จําเป็นมากที่เราจะต้องเชื่อฟังกฎหมายเหล่านั้น พี่น้องครับอยากจะบอกกับพี่น้องว่าการแยกระหว่างสเต็กกับเชิรนั้นจะต้องแยกครับถ้าไม่แยกจะเกิดปัญหาเพราะเนื่องจากว่าการเมืองหรือการปกครองนั้นเป็นเรื่องของผลประโยชน์แต่คิดจากนั้นเป็นเรื่องของการให้เป็นเรื่องของความรักโทมัสเจฟสันซึ่งเป็นประธานาธนิบดีในสมัย แ, กแรกๆที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อตั้งขึ้นมา เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกเขาได้รู้นะครับว่าปัญหาระหว่างสเตตกับเชิร์ชเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นในข้อเขียนของเขานะครับเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกานั้นเขาเขียนชัดเจนครับว่าจะต้องมีกำแพงนะครับกำแพงกั้นระหว่างสเตตก็คือรับนะครับกับ church ก็คือคริสตจักรเชิร์ชนั้น เป็นเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาที่อยู่ในใจแต่สเ ต, ตนั้นเขาจะต้องเขียนกฎหมายที่ตัดสินนะครับคนคนหนึ่งด้วยการกระทําที่แสดงออกมาด้วยเหตุนี้ครับจึงทําให้สเตเกับเชิร์ชนั้นจะต้องแยกจากกันเ ช, รชิร์ชหรือคริสตรนั้นก็จะมีอิสระในการนมัสการพระเจ้าโดยที่ทางฝ่ายปกครองหรือฝ่ายการเมืองนั้นไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวในขณะเดียวกันครับ กฎหมายต่างๆทุกอย่างนั้นที่เขียนมาจากฝ่ายการเมืองนะครับก็จะไม่มีอิทธิพลนะครับไม่มีอิทธิพลในแง่ของการส่งอิทธิพลของขิสจักรที่มีต่อรัฐธรรมนั้นหมายความว่าจะต้องไม่มีการกีดกันทางศาสนานะครับจะต้องไม่ใช้ความเชื่อส่วนบุคคลเข้ามาเพื่อที่จะตัดสินพิพากษาคนใดโดยที่ไม่มีหลักฐานพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าคนจะมีความเห็นทางศาสนาต่างๆต่างกันได้นะครับโดยที่ไม่มีความผิดนั่นคือการเปิดทำให้ศาสนาต่างๆนั้นสามารถที่จะมีที่ยืนสำหรับตัวเองและสิ่งที่จะพิสูจน์ศาสนาต่างๆนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ได้แสดงออกมาด้วยการสำแดงชีวิตที่แท้จริง พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ทรงวางรากฐานในสมัยที่พระเยซูได้ทรงเสด็จมาในโลกนี้เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วพระเยซูไม่ได้ปรารถนาที่จะเป็นกษัตริย์เพราะว่าเวลาของพระองค์ยังมาไม่ถึงแต่พระเยซูปรารถนาที่จะเป็นเจ้าชีวิตของเราทั้งหลายซึ่งพระองค์มีอาณาจักรของพระองค์ก็คืออยู่ในหัวใจอยู่ในชีวิตของพวกเราทั้งหลายแต่ละคนขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมอบชีวิตให้กับพระเยซู สวดให้กับพระองค์ให้เป็นให้พระเยซูทรงเป็นเจ้าของชีวิตของพวกเราในขณะเดียวกันครับเราก็ต้องรักษากฎหมายนะครับเราก็ต้องเคารพต่อกฎหมายต้องทําตามกฎหมายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่มีผู้ปกครองใดนะครับที่พระเจ้าไม่อนุ ญ, ญ, ญาตแล้วเขามาปกครองเราขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรพี่น้องพอพอพอทุกท่านเพื่อที่เราจะเคารพกฎหมายในขณะเดียวกันครับ เรามีความเชื่อความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าและเราจะสามารถที่จะสั่งสอนเผยแร่และประกาศข่าวประเสริฐเพื่อที่จะขยายแผ่นดินของพระเจ้าให้อยู่ในชีวิตยอยู่ในหัวใจของผู้ที่ศรัทธาผู้ที่มีความเชื่อทุกๆคนอามน